ความพิการของกายเนื้อและกายทิพย์บางท่านอาจจะสงสัยต่อไปอีกว่าในกรณีที่กายเนื้อเกิดความวิกลวิการหรือทุกพลภาพเช่นแขนขาดหรือขาขาดเป็นต้นนั้นความพิการของกายเนื้อจะส่งผลให้กายทิพย์เกิดความพิการไปด้วยหรือไม่ในเรื่องนี้ข้าพเจ้าขอตอบว่าเปล่าเลยทีเดียว ทั้งนี้เพราะกายเนื้อเป็นของเน่าเปื่อยผุพังได้ส่วนกายทิพย์ไม่ได้เป็นสภาพเช่นนั้นเมื่อกายทิพย์ละจะกายเนื้อไปแล้วกายเนื้อก็จะเน่าเปื่อยสุดโทรมและผุพังไปตามสภาพของมันโดยเฉพาะซึ่งจะกินเวลาเป็นวันหรือเป็นเดือนเป็นปีก็สุดแล้วแต่กรณีแต่กายทิพย์หรือทุกๆุกส่วนของกายทิพย์เป็นของที่ไม่มีวันแตกสลาย ดังนั้นจึงไม่มีพลังใดๆที่สามารถจะทำลายกายทิพย์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของกายทิพย์ได้สำหรับข้อความนี้ฟังคำอธิบายเพิ่มเติมจากท้ายบทนะครับเมื่อครั้งเป็นมนุษย์กายเนื้อจะมีความวิปริตเพียงใดก็ตามเช่นแขนหรือขาอาจจะขาดไปบ้างอวัยวะบางส่วนอาจจะเป็นโรคร้ายจึงกระทั่งวิกลวิการ รูปร่างของกายเนื้อบางส่วนอาจจะไม่สมประกอบด้วยประการใดประการหนึ่งก็ตามก็เป็นเรื่องของกายเนื้อเท่านั้นไม่ได้ส่งผลมาถึงส่วนใดๆของกายทิพย์เลยแต่โดยในย่ากลับกันข้าพเจ้าใครขอเตือนว่ากายทิพย์ก็อาจมีเรือนร่างบุตรเบี้ยววิกลวิการหรืออัปปะรักได้อย่างมากมายเหมือนกันแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้เกิดจากสภาวะของกายเนื้อเลย คือเป็นเรื่องของจิตใจของบุคคลผู้นั้นเองความพิการของกายทิพนั้นเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงอดีตของเขาเองว่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์อยู่นั้นแม้เขาจะมีเรือนร่างสมบูรณ์แต่จิตใจของเขาก็ต่ำสามวิกฤวิกาอย่างมากมายเขาได้มีชีวิตไม่สมกับที่เป็นมนุษย์แต่เป็นดังสัตว์ที่แฝงอยู่ในเรือนร่างของมนุษย์สามารถกระทาการต่าง ซึ่งควรจะเป็นการกระทําของสัตว์ร้ายมากกว่าของมนุษย์ดังนั้นจึงหมายความว่าหากกายทิพย์จะมีความวิกลวิการอย่างใดก็เป็นเพราะระดับจิตใจของผู้นั้นเองหาได้เป็นเพราะสภาพของกายเนื้อไม่มีบุคคลเป็นจำนวนมากที่เชื่อในมติเรื่องร่างกายที่ตายแล้วจะมาประชุมกันขึ้นใหม่ และมักจะนึกโงอนอยู่มากในเรื่องดังกล่าวแล้วคือสมมุติว่าก่อนตายตนเป็นคนพิการมีแขนหรือขาขาดไปเช่นนี้แล้วเวลาร่างกายกลับมาประชุมกันใหม่ในวันสิ้นโลกมันจะยังคงเป็นร่างกายที่พิการอยู่ตามเดิมหรือเปล่าหรือถ้าสมมุติว่าร่างกายเดิมนั้นหายสาบสูญเป็นาธาตุเดิมไปหมดแล้วเพราะถูกฝังเว้นานแสนนานก็ดีหรือเพราะถูกแรงระเบิด ทำลายให้แตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปหมดแล้วก็ดีร่างกายเหล่านั้นจะมาประชุมกันขึ้นใหม่ได้อย่างไรข้อยุ่งยากในเรื่องนี้เกิดจากการเข้าใจคําว่าประชุมกันขึ้นใหม่ผิดนั่นเองคือไปคิดวาดมโนภาพเอาเองว่าคงจะเป็นกายเนื้อที่ถูกฝังในหลุมนั่นเองลุกโยงเยงขึ้นมาจากใต้ดินแล้วไปปรากฏพุทธขึ้นในโลกทิพต่อจากนั้น ก็เลยนึกเอาเองต่อไปอีกเพราะตนอยากให้เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วว่าแขนขาที่ขาดไปต่อกันได้ใหม่อีกตาที่บอดหรือหูที่หนวกก็จะกลับมองเห็นหรือได้ยินได้ดังเดิมส่วนซาก ข, ของกายเนื้อที่สลายกลายเป็นฝุ่นเป็นดินเป็นน้ำไปแล้วก็จะวิ่งกลับมาสู่ที่เดิมรวมกันเข้าเป็นบุคคลคนนั้นใหม่อีกโดยอานาจปาฏิหาริย์อันใดอันหนึ่งความเชื่อดังกล่าวนี้ ฟังดูจะเห็นได้ว่าวิตฐานและมะโหลานอาการทีเดียวอันที่จริงเมื่อกายเนื้อแตกสลายไปแล้วก็เป็นอันแล้วกันไปโดยเด็ดขาดไม่มีทางที่มันจะเข้าไปเสนอหน้าในโลกทิพย์ได้เลยยังไม่มีปาฏิหาริย์อันใดที่จะทำให้ร่างกายเก่านั้นคุมกันขึ้นมาอีกครั้งโดยเป็นบุคคลเดิมหรือให้มันเข้าไปโลดเต้นอยู่ในโลกทิพย์ไม่ว่าจะในชั้นสูงหรือต่า อบายภูมิหรือสุขติภูมิใดๆก็ตามเรื่องนี้เป็นกฎธรรมชาติเช่นนั้นเองไม่ใช่กฎที่ใครตั้งขึ้นดังนั้นความเชื่อดังกล่าวจึงเป็นเรื่องเลวไหลสิ้นดีเพราะไม่มีอำนาจใดๆจะแก้ไขหรือทำลายกฎธรรมชาติได้เลยอันที่จริงข้าพเจ้าใครที่จะกล่าวต่อไปอีกสักหน่อยว่า การที่ทาตของร่างกายจะมาประชุมกันขึ้นใหม่เป็นบุคคลคนเดิมหลังจากที่มันได้แตกแยกออกจากกันไปแล้วนั้นมีไม่ได้เลยทั้งแก่กายเนื้อและแก่กายทิพย์เพราะกายทิพย์เองก็ไม่ได้เกิดผุดขึ้นมาตามความหมายที่เข้าใจกันอยู่โดยทั่วไปความจริงนั้นมีอยู่ว่าแม้กายเนื้อจะหมดสมรรถภาพหรือแตกสลายไปแล้วชีวิตของเราก็ยังไม่ขาดศูนย์ คือเราจะยังคงมีชีวิตอยู่เช่นเดิมโดยไม่ได้ถึงแก่ความตายเลยเพราะเมื่อกายเนื้อมีชีวิตขึ้นมานั้นกายทิพก็มีขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันเมื่อกายเนื้อมาถึงจุดจบของมันมันก็หยุดทำงานแล้วก็เป็นอันหมดหน้าที่ของมันในการเป็นพาหนะหรือเป็นเครื่องอาศัยของกายทิพต่อจากนั้นกายทิพก็หลุดจากกายเนื้อและก็มีชีวิตสืบต่อไปตามเดิม แต่เป็นการสืบต่อชีวิตในโลกทิพย์ซึ่งเป็นภูมิันแท้จริงของกายทิพย์นั่นเองดังนั้นจึงเป็นอันว่าไม่มีเรื่องที่กายเนื้อร่างเก่าจะมาประชุมกันขึ้นใหม่เลยเพราะอ่านที่จริงก็ไม่เห็นมีความจำเป็นอย่างไรที่จะต้องให้มีเช่นนั้นวิญญาณไม่ต้องเป็นนอนคอยวันพิพากษาอยู่นานแสนนานเพราะวิญญาณเป็นอิสระจากกายเนื้อ อันทวงให้หนักอยู่ตลอดเวลาแล้วปิญญาณสามารถจะเคลื่อนไหวไปมาสามารถหายใจและสามารถจะเรื่นเริงบันเทิงได้โดยเสรีในแดนทิพย์อันสมควรแก่ภาวะของตนของตนข้าพเจ้าได้นำท่านมารีรออยู่บนเส้นพรมแดนที่คันอนาเขตระหว่างโลกทิพย์กับโลกมนุษย์มานานพอสมควรแล้ว บัดนี้ถึงเวลาที่เราจะผ่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความสว่างแจ่มใสเสียทีเพื่อว่าเราจะได้เข้าใจเรื่องต่างๆให้ดียิ่งขึ้นอีกหมายเหตุคำอธิบายเพิ่มเติมจากอาจารย์พรรัตนสุวรรณ หมายเหตุข้อที่ห้าเมื่อกายทิพย์จะกายเนื้อไปแล้วกายเนื้อก็จะเน่าเปื่อยสุดโทมและผุพังไปตามสภาพของมันโดยเฉพาะซึ่งจะกินเวลาเป็นวันหรือเป็นเดือนเป็นปีข้อสุดแล้วแต่กรณีแต่กายทิพย์หรือทุกทุกส่วนของกายทิพย์เป็นของที่ไม่มีวันแตกสลายจึงไม่มีพลังใดๆที่สามารถจะทาลายกายทิพย์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของกายทิพย์ได้ข้อความตอนนี้ ถ้าหากผู้อ่านไม่ได้อ่านข้อความตอนอื่นๆประกอบด้วยแล้วก็จะทำให้เกิดการเข้าใจผิดโดยคิดว่าตามหลักของท่านโรเบิร์ตอิวเบนสันนี้กายทิพย์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีวั น, นสูญสิ้นข้อนี้น่าเห็นใจเพราะว่าอปปปาติกะที่เข้าใจแบบนี้นั้นมีไม่ใช่น้อยเช่นเดียวกับคนในโลกมนุษย์ที่เข้าใจถึงเรื่องไตรลักษณ์จริงๆนั้นมีน้อยมากและโดยมาก ถ้าศึกษาแต่เรื่องไตรลักษณ์ก็มักจะมองไม่เห็นว่าชีวิตหลังจากตายจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในเมื่อถือว่าอัตตาไม่มีและในทำนองเดียวกันคนที่ถือว่าอัตตามีก็ไม่อาจที่จะเข้าใจว่าวิญญาณเป็นอนัตตาได้อย่างไรในเมื่อวิญญาณจะต้องมีอยู่ตลอดไปท่านโรเบิร์นฮิวเบนสันท่านได้มองเห็นตัวอย่างมากมาย ที่ทำไม่ต้องสรุปว่ากายเนื้อไม่ใช่ของเที่ยงแท้ยั่งยืนส่วนกายทิพย์เท่านั้นที่เที่ยงแท้ยั่งยืนทั้งนี้ก็เพราะในเมื่อดูคนที่ตายจากโลกมนุษย์ไปแล้วไม่ว่ารายไหนพอสิ้นใจก็จะมีกายทิพย์เกิดขึ้นทันทีและผู้ที่อยู่ในโลกทิพย์ไม่ว่าจะเลื่อนภูมิสูงขึ้นไปเพียงไรหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรท่านก็มองเห็นว่ากายทิพย์จะต้องมีอยู่ตลอดไป และในเมื่อจิตใจประณีตขึ้นกายทิพย์ก็ประนีตขึ้นและในเมื่อท่านไปพบตัวอย่างโอปปาติกะที่มีจิตใจสมบูรณ์ซึ่งหมายความว่าสมบูรณ์กว่ามนุษย์หรือสมบูรณ์ตามภูมินั้นๆก็จะพบว่ากายทิพย์ไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความทุกข์ทรมานไม่มีความพิการและบางองค์ที่ท่านรู้จักซึ่งมีอายุยืนยิ่งกว่าอายุของโลกนี้ก็มีเพราะฉะนั้น จึงทำให้ท่านเข้าใจว่ากายที่เป็นของยั่งยืนคงทนทาวอนตลอดชั่วนิรันดรในคำพีพระไตรปิฎกก็มีเรื่องในทํานองนี้เหมือนกันกล่าวคือตามเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าให้ฟังนั้นปรากฏว่ามีโอปปปาติกะบางองค์ที่เป็นพรหมมีความเห็นแบบเดียวกับท่านโรเบิร์ตอิวเบนสันเพราะฉะนั้นในส่วนตัวของข้าพเจ้า จึงไม่รู้สึกแปลกใจที่ท่านโรเบิร์ตอิวเบนสันมีความเห็นเป็นเช่นนั้นและจากข้อความตอนนี้เข้าใจว่าจะให้ิท่านผู้อ่านที่เป็นชาวพุทธได้ระหนักถึงคุณค่าแห่งคําสอนของพระพุทธศาสนาดีขึ้นและอ่านที่จริงความเข้าใจผิดที่ว่านี้จะหายไปโดยไม่ยากถ้าหากเราเข้าใจการเกิดดับและการสืบต่อของวิญ ญ, ญาณตามหลักปฏิจจสมุปบาท หมายเหตุข้อที่6จากประโยคที่ว่ากายทิพย์ก็อาจจะมีเรือนร่างบุตรเบี้ยพิกลพิการหรืออัพรักษณ์ได้อย่างมากมายเหมือนกันแต่ทางนี้ไม่ได้เกิดจากสภาวะของกายเนื้อเลยคือเป็นเรื่องของจิตใจของบุคคลเท่านั้นเองหากกายทิพย์จะมีความวิกลวิการอย่างใดก็เป็นเพราะระดับจิตใจของผู้นั้นเองอาจได้เป็นเพราะสภาพของกายเนื้อไม่ข้อความในหมาเหตุข้อนี้ ท่านจะเห็นว่ามีหลักเกณฑ์เหมือนกับในทางพระพุทธศาสนาเพราะทางพระพุทธศาสนาก็ได้กล่าวไว้ว่ารูปคือร่างกายของพวกอปปปาติกาทั้งหลายย่อมเป็นไปตามวิบากของกรรมไรจะเกิดมามีรูปร่างเป็นเปรตเป็นยักษ์เป็นสรรวนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือจะเกิดมาเป็นเทวดาเป็นเทพเจ้าก็สุดแล้วแต่วิบา ก, กรรมที่มีอยู่ในวิญญาณจะสร้างสารรค์ขึ้น ผู้ที่อ่านหมายเหตุข้อนี้ควรจะย้อนไปพิจารณาข้อความในตอนนี้ทั้งหมดแล้วท่านก็จะได้รับความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงสภาพของชีวิตที่เกิดใหม่เป็นการน่าประหลาดที่ข้อความในหนังสือเล่มนี้ซึ่งได้บันทึกตามคำบอกเล่าของท่านโรเบิร์ตยิวเบนสันเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้มาตรงกับหลักของพระพุทธศาสนาซึ่งมีมานานถึงสองพักว่าปีแสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้ต้องเป็นความจริง และข้าพเจ้าใกลที่จะให้ขอสังเกตไว้ว่าการอ่านหนังสือโลกทิพย์ควรจะต้องพยายามอ่านให้ตลอดอันไหนที่ไม่เข้าใจไม่เห็นด้วยขอให้บันทึกเอาไว้และต่อไปเมื่ออ่านอย่างทีท้วนแล้วก็จะเกิดความเชื่อและความเข้าใจไปเองอย่าพึ่งด่วนลงมติง่ายง่ข้อความในหนังสือโลกทิพย์มีหลายแห่งซึ่งดูเหมือนจะแย้งกับหลักของพระพุทธศาสนาแต่แล้วในที่สุด ท่านก็จะเห็นว่าเหมือนกับหลักในพระพุทธศาสนานั่นเองอันหนึ่งข้อความในตอนนี้ท่านยังชี้ให้เห็นอีกอย่างหนึ่งว่าการเกิดใหม่ในแบบที่เรียกว่าการฟื้นคืนชีพของกายเนื้อนั้นเป็นการเข้าใจผิดกายเนื้อเมื่อตายไปแล้วก็เปื่อยเน่าผุพังไปตามสภาพของกายเนื้อส่วนกายทิพย์ที่เกิดใหม่ ไม่ใช่กายเนื้ออันเดิมกลับมาประชุมเป็นร่างขึ้นใหม่ความเชื่อในเรื่องกายเนื้อฟื้นคืนชีพเป็นความเชื่อของชาวตะวันตกที่มีมานานแล้วตัวอย่างเช่นเมื่อพระเยซูเสดสวรรคตได้สาวันปรากฏว่าร่างของพระองค์หายไปจากอุโมงค์แลไปปรากฏให้ลูกศิษย์ของพระองค์แลเห็นเลยเข้าใจกันว่ากายเนื้อของพระองค์กลับฟื้นคืนชีพและมาปรากฏให้เห็น เพราะเหตุที่เชื่อกันแบบนี้จึงได้เกิดประเพณีฝังศพหรือดองศพแบบมัมมี่ขึ้นความเชื่อแบบนี้เป็นความเชื่อที่ผิดกับหลักของพระพุทธศาสนาเพราะทางพระพุทธศาสนาถือว่ากายเนื้อเมื่อตายแล้วก็หมดเรื่องกันไปส่วนกายทิพย์ที่เกิดใหม่ไม่ใช่กายเนื้ออันเดิมแต่การที่บางคนตายแล้วก็ยังมาปรากฏให้เห็นในลักษณะของรูปอันเดิม นั่นเป็นเพราะวิบากของกรรมที่เคยสร้างกายในรูปนั้นยังมีอยู่ในสันดานและเพราะมีความประสงค์ที่จะให้คนในโลกมนุษย์ได้รู้จักว่าเป็นใครฉะนั้นโดยธรรมดาหรือโดยหลักเกณฑ์โดยทั่วไปโอปปปาติกะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์จึงมีรูปร่างลนะักษณะเป็นอย่างเดียวกับเมื่อครั้งยังมีชีวิตในโลกมนุษย์ซึ่งข้อเท็จจริงอันนี้ท่านโรเบิร์ตอิวเบนสัน ก็ได้พูดถึงไว้เหมือนกันอย่างไรก็ดีขอได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าคนเราเมื่อตายแล้วถ้าไปเกิดอยู่ในภูมิที่ไม่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์เลยรูปร่างจะเป็นไปตามภูมินั้นๆจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนกระทั่งจำไม่ได้ตัวอย่างเช่นเรื่องของมัทธกุณทรีในพระไตรปิฎกเป็นต้น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 แล้วก็เป็นอันหมดหน้าที่ของมันในการเป็นพาหนะหรือเป็นเครื่องอาศัยของกายทิพต่อจากนั้นกายทิพก็หลุดจากกายเนื้อแล้วก็มีชีวิตสืบต่อไปตามเดิมแต่เป็นการสืบต่อชีวิตในโลกทิพซึ่งเป็นภูมิอันแท้จริงของกายทิพนั่นเองข้อความในหนังสือโลกทิพตอนนี้ขอให้ท่านสังเกตให้ดีว่ามีหลักไม่ตรงกับของพระพุทธศาสนา เ่ราตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่ากายเนื้อไม่ได้เป็นพาหนะของกายทิพย์และกายทิพย์ก็ไม่ได้เกิดพร้อมกับกายเนื้อเมื่อกายทิพย์ดับเช่นเมื่อตอนปฏิสนธิกายเนื้อก็เกิดแต่ก็ถือได้ว่ากายเนื้อยอมสืบเนื่องมาจากกายทิพย์และกายทิพย์ก็สืบเนื่องมาจากกายเนื้อ กายทิพย์เป็นผลแห่งวิบากของกรรมโดยตรงโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรรมพันธ์และสิ่งแวดล้อมเพราะกายทิพย์สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกแห่งโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศและไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ส่วนกายเนื้อต้องขึ้นอยู่กับกรรมพันธ์และสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนอย่างต้นไม้ถ้าดินฟ้าอากาศไม่เหมาะแก่มันมันก็จะไม่เกิด อันหนึ่งการที่กายทิพย์ในบางครั้งมีรูปร่างลักษณะเหมือนกายเนื้อนั้นไม่ได้เป็นไปตามกรรมพันธ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรรมพันธ์ข้าพเจ้าได้อธิบายมาแล้วว่าทําไมกายทิพย์จึงเหมือนกับกายเนื้อได้และอีกประการหนึ่งขอให้สังเกตว่าคนที่ได้อภินยาโดยเฉพาะคือได้อิทิวิธนั้นจะสามารถเนรมิตกายทิพย์ ให้มีรูปร่างลักษณะอย่างไรก็ได้อย่างที่เรียกกันว่าแปลงตัวเป็นนั่นเป็นนี่ตัวอย่างในเรื่องนี้เป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนถึงเรื่องกายทิพว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรรมพันธ์และไม่จำเป็นจะต้องเกิดพร้อมกับกายเนื้อแต่อย่างไรก็ดีตามความเข้าใจของท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันที่ว่า แม้กายเนื้อจะหมดสมรรถภาพหรือแต่สลายไปแล้วชีวิตของเราก็ยังไม่สูญคือเราจะยังคงมีชีวิตอยู่เช่นเดิมโดยมิได้ถึงแก่ความตายเลยข้อความตอนนี้ต้องพยายามเข้าใจตามความหมายตามที่ท่านพูดอย่าพยายามคิดแต่ในแง่ของอภิธรรมที่ถือว่านามรูปมีการตายอยู่ทุกขณะเพราะถ้ายึดถือแต่ในแง่นี้แง่เดียวก็อาจจะเห็นไปว่า หลักของเขาผิดแต่ขอให้ท่านนึกถึงหลักที่ว่าวิญญาณเมื่อจุติแล้วก็ต้องปฏิสนธิทันทีและจะมีนารูปเกิดขึ้นทันทีสภาพของร่างกายที่เกิดใหม่อาจจะเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมก็ได้ส่วนสภาพของจิตใจนั้นจะอยู่ในลักษณะเหมือนเดิมเกือบทุกอย่างจนกระทั่งทำให้เราแน่ใจว่า ตัวเราที่เกิดใหม่กับตัวที่ตายไปนั้นคือชีวิตอันเดียวกันการที่ท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันกล่าวไว้เช่นนั้นเพราะท่านมองดูชีวิตของท่านและของคนอื่นเห็นว่าชีวิตอันก่อนกับอันหลังเหมือนกันจึงได้พูดเช่นนั้นฉะนั้นคาพูดของท่านจะว่าผิดจากหลักพระพุทธศาสนาทีเดียวก็ยังไม่ได้